เพรนั้นผู้ที่เจริญกุศลวิตกเนี่ยนะโดยปกติทั่วๆไปแล้วก็เป็นอย่างนี้เพราะอย่างแรกที่ที่เห็นชัดเจนเลยอะโลกนี้มันไม่น่าเพลิดเพลินขึ้นอันนี้แน่นอนเพราะอะไรเพราะเป็นวัตถุประสงค์ของคําสอนมีอยู่ที่หนึ่งบอกว่าอะไรก็ตามถ้าไม่ได้เป็นไปเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกําหนัดในวัตฏะให้รู้โดยส่วนเดียวว่านั่นไม่ใช่คําสอนใช่ไหม ถ้าถ้าเป็นลักษณะของคําสอนหนึ่งต้องเป็นไปเพื่อเห็นโทษภัยของวะตะวะตะคือขันห้าใช่ไหมต้องหนึ่งต้องเห็นโทษของขันห้าเป็นเบื่อนนายคล้ายกํากหนัดหลุดพ้นจากขันห้าอันนี้ข้อประเด็น ท, ที่เป็นลักษณะของทุกขสัตว์นะสมุทัยสัตว์ต้องเห็นโทษของอวิชชาตันหากรรมมากขึ้นเห็นโทษของการหัวเราะเห็นโทษของการเพลดิดเพลินด้วยการมวิตกอกุศลวิตกทุกชนิดเพราสามเห็นว่าความสังัดจากสังขารทั้งมวลนี่ดีจริงๆ ก็4สีการเจริญกุศลที่ไปเห็นโทษในทุกเพื่อละสมุทัยเพื่อแทงตลอดไอความสงบนะข้อปฏิบัติอันนี้วิเศษสุดตัวนี้แหละนำออกจากทุกได้อันนั้นี่นี่คือเป็นเรียกว่าเป็นสาระของคำสอนตรงๆเลยนะแต่แต่ทีนี้ถามว่าขัดกับปุตุชนไหมขัดขัดแน่นอนพระองค์ก็บอกอยู่แล้วว่าสิ่งใดที่ปุตุชนว่าดีพระอริยะท่านว่าไม่ดี อย่างเช่นอิทธารมทั้งหลายปุตตชนบอกหมายดีเหลือเกินเนี่ยไงเสร็จแล้วบอกว่านิ้พานไม่ดีอย่างเงี้ยไงพระอริยะบอกว่าอิทธารมทั้งหลายไม่ดีนิพานเนี่ยดีอย่างเงี้ยไงมันจะคิดตรงกันข้ามกันทุกเรื่องอนนะอนเนี่ยไงคือโดยโดยสาระอย่างที่กล่าวไปไเมื่อกี้ว่าหนึ่งนะทุกขสัพเนี่ยคืออุปาทานขันห้า ลักษณะของคําสอนต้องเป็นไปเพื่อเบื่อหน่ายในอุปาทานขันห้าทุกขันทีนี้ขันห้าถามว่าทําไมต้องเบื่อหน่ายด้วยเพราะว่าขันห้ามันเป็นที่ตั้งของอวิชชาและตันหาเพราะฉะนั้นถ้าเห็นโทษของขันห้ามากๆจะได้ละอวิชากับตันหาในขันห้าแล้วให้เห็นคุณของท่าสงบระงับจากขันห้าพ้นจากขันห้าได้เป็นความสุขอย่างยิ่ง อันนั้ก็เรียกว่าเห็นคุณของอันนั้นก่อนนะเห็นคุณของการสงัดจากขันห้าเนี่ยดีจริงๆแล้วข้อต่อไปนะเห็นว่าการเจริญกุศลธรรมทั้งหลายคือการเจริญกุศลเพื่อเห็นโทษในขันห้าเพื่อละอวิชาละตัณหาละกิเลสในขันห้าและการรู้แจ้งแทงตลอดธรรมะอันนั้นเนี่ยเป็นเป็นความสุขอย่างแท้จริงอนนะ้อันนี้อันนี้ตั้งให้เป็นอัธยาศัยก่อนเลยอันนี้เป็นเป็นอันดับแรกนะให้ให้ว่าเรามีอัธยาศัยแบบนี้นะ คนที่มีอัธยาสาัยแบบนี้เนี่ยทางธรรมะเรียกว่ามีอัธยาสายวิวัตตเนี่ยนะมีอัธยาสาัยวิวัตะแล้วพระพุทธเจ้าถ้าจะแสดงธรรมโปรดใครนะจะเลือกคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายกลุ่มแรกก่อนถ้าแสดงกับบุคคลแบบนี้แล้วพูดอริยสัจเขาจะเห็นง่ายบรรลุอริยสัจไม่นานเขาจะบรรลุแต่ถ้าเป็นกลุ่มอื่นๆเลยถ้าไม่มีบุคคลกลุ่มนี้เนี มันจะมีกลุ่มนี้มันจะมีเห็นคุณของอริยสัจบ้างไหมคณะกลุ่มนี้พอจะนับถืออริยสัจได้บ้างพวกนี้ก็เรียกว่าพุทธมามกะธรรมมามกะสังฆมามกะธรรมะมามกะคือผู้ที่นับถือพระธรรมว่าเป็นของเราอะนะก็คือนับถือว่าคํำสอนว่าด้วยอริยสัจดีมากหลังนั้นเถอะแต่ว่ายังปฏิบัติไม่ได้หรอกนับถือเฉยเฉพวกกลุ่มนี้เรียกว่าธรรมะมามกะนี่นะผู้ที่นับถือพระธรรมว่าเป็นของเรา ตัวธรรมะที่จะทำให้พ้นจากทุกจริงๆเนี่ยนะองค์ธรรมสภาวะธรรมก็คือนิโรธสัตว์กับมรรคสัตเนี่ยนะแต่เป็นไปได้ไหมโดยที่ไม่รอบรู้ในทุกขและละสมุทัยจะได้สัจจะที่เป็นมัด ก, ก็ไม่ได้อยู่แล้ว น, นแต่ทีนี้อย่าลืมว่าอันนี้ในพูดโดยพื้นฐานทั่วๆไปว่าการศรรึกษาพระธรรมในยุคหลังกับยุคก่อนค่อนข้างแตกต่างกัน พระธรรมในยุคก่อนเนี่ยนะท่านจะขึ้นต้นด้วยพุทธังทำมังสังังสร น, นังกัจฉามีแล้วท่านให้อัตถะคําว่าพระพุทธเจ้าหมายคำว่าอย่างไงนะเช่นพุทโธเนี่ยนะทาบว่าพุโทโธก็คือผู้แตสรู้อริยสัจนะผู้แทงตลอดอริยสัจ ด, ด้วยถูกต้องด้วยตัวเองและเอามาสอนผู้อื่นด้วยธรรมะคืออะไรเน้นมัศ ก, กับนิโรธนะเพราะทุกข์กับสมุทัยมันจมอยู่แล้วนะทุกคนมีอยู่แล้วธรรมะตัวที่จะทําให้พ้นทุกข์คือมัศ ก, กับนิโรธนะ ทีนี้การที่จะบรรลุมร ก, กับนิโรธต้องกําหนดรู้ทุกละสมูทัยนะจึงจะแทงตลอดอ น, นั้นก็เท่ากับอริยรสัจเนี่ยนะทำมังสารานาังขะฉ า, ามิก็นับถือว่านับถืออริยสัจพระสงฆ์ที่ว่าปฏิบัติดีก็คือท่านแทงตลอดอริยสัจแล้วเน<ส>ี่ยนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ถึงเราไม่ยังไม่บรรลุจริงเราก็นับถือก่อนใช่ไหมผู้ทงังทำมังสังทังสารานังขะฉ า, ามิเครียวกว่าพวกนี้ฟังจบแล้วถึงไตรสารนคม เมื่อกี้เนี่ยที่เน้นกล่าวอย่างนั้นเนี่ยนะเพราะว่าผู้ที่ศึกษาพระธรรมไประดับหนึ่งแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าโอ้โหมากเหลือเกินเนี่ยนะในคําสอนคําสอนเนี่ยนะว่าโดยคำภีนะก็ตั้งนิกายก็มีห้านิกายใช่ไหมทีขณิกายมัชฌิมนิกา ย, กายสังยุตอังคุตคุถาณิกายแล้วยังมีพระวินัยปิดกมีอภิธรรมปิดคมนนะมีธรรมะอย่างอูนิกตั้งมากเหลือเกินที่เราจะศึกษาเนี่ยนะ คือบางคนเนี่ยที่จับประเด็นไม่ถูกของการศึกษาพระธรรมเนี่ยมันจะศึกษาเอาคัมภีใช่ไหมผ่านมากี่คัมภี์แล้วเรายังเหลืออีกกี่คัมภีเนี่ยจะจบเนี่ยนะมันก็จะมีคนกลุ่มเรียนเรียนธรรมะประเภทเนี้ยเรียนเอาคัมภีว่างั้นเถอะโดยที่ไม่ไม่เรียนเพื่อเพื่ อ, เ พ, อเพื่อจุดมุ่งหมายของคําสอนคืออย่าลืมว่าจุดมุ่งหมายของคําสอนอย่างที่กล่าวมาเนี่ยก็เรียนให้รู้ว่าตรงนี้เป็นศีลตรงนี้เป็น สมถะตรงนี้เป็นวิปัสนาตรงนี้เป็นมรตรงนี้เป็นผลตรงนี้เป็นนิพานเมื่อรู้ว่าตรงไหนเป็นศีลก็จะได้ทํากิจบําเพ็ญให้บริบูรณ์ตรงไหนเป็นสมาธิเป็นสมถะเป็นวิปัสนาก็จะได้บําเพ็ญสมถะและวิปัสนาให้บริบูรณ์ทีนี้สมถาวิปัสนาเนี่ยรอบรู้ในอะไรเนี่ยก็เข้าไปพิจารณาในวัตถุเหล่านั้นๆ น, น, น, นะเพื่อให้อริยมรเกิดขึ้นเรียกว่าบรรลุอริยมรแทงตลอดพระนิพาน ได้ผลคือการบรรลุอริยผลทีนี้เมื่อเข้าใจแบบนี้จะรู้ว่าธรรมะทั้งพระไตรปิฎกอะชี้อยู่แนวนี้แนวเดีอ่ธรรมะในพระไตรปิฎกนะถ้าเปรียบเทียบอุปมานะว่าการชี้หนึ่งครั้งสมมติวนะ่าดวงอาทิตย์ขึ้นนะแล้วมีคนชี้ให้ดูดวงอาทิตย์อยู่หนึ่งรอยครั้งหรือหนึ่งหมื่นครั้งอะนะโ อ, อ้นั่นดวงอาทิตย์นะนั่นดวงอาทิตย์นะนั่นดวงอาทิตย์ ลักษณะคําสอนในพระไตรปิฎกคือพระพุทธเจ้าชี้ให้ดูดวงอาทิตย์หนึ่งหมื่นครั้งเหมือนกันเถอะเพราะฉะนั้นทุกสูตรเนี่ยชี้ไปหาอัน น, นดวงอาทิตย์อุปมาเหมือนอริยสัจนะทุกสูตรชี้ให้ดูอริยสัจหมดเลยแต่ทีนี้ว่าจะมีบางคนนี่บอกว่าเอ๊ะมีการชี้อยู่กี่ครั้งชี้อยู่กี่ตําแหน่งนะแต่ละอย่างนี่ชี้แตกต่างกันยังไงบ้าง คนชี้เอ่อคนที่ถูกชี้อยู่ข้างหน้าหรืออยู่ข้างหลังคนชี้อะไรไง น, นะก็แค่ามาตั้งหลักการอันนี้โดยที่ไม่ไม่เอาจุดประสงค์ว่าเขาชี้ให้ดูอะไรนะคือคําสอนทั้งพระไตรปิฎกนะถึงจะเรียนมากเรียนน้อยก็ตามจริงๆแล้วพระองค์ไม่ได้เอาเอาตรงนั้นเป็นประมาณองค์ของพระพุทธเจ้านะไม่ได้ถือเอาตรงนั้นเป็นประมาณแต่แต่ก็มีการยกย่องผู้ที่เป็นพระหูสูตรอยู่ว่าอ่าช่วยรักษ า, าศาสนาเอาไว้นะช่วยสงเคราะห์คนอื่น แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพระพุทธเจ้าสรรเสริญผู้ที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทมกับผู้เป็นพระหูสูตรพระพุทธเจ้าสรรเสริญใครมากกว่ากันสรรเสริญผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทรมากกว่าแต่บางสูตรก็ยกย่องผู้ที่เป็นพระหูสูตรเนี่ยนะ ก, ก็ยกย่องทั้งสองอย่างว่า ง, งั้นเถอะทีนี้ถ้าโดยสมัยพุทธกาลเองเลยอ่ะนะสมัยพระพุทธเจ้ามีพระชนอยู่มีกุลบุตรสองคนชาวเมืองสาวัตถี กุลบุตรสองคนเนี่ยมาบวชตั้งกับเป็นหนุ่มทั้งคู่เนี่ยนะอีกคนหนึ่งก็ตั้งความคิดว่าฉันเนี่ยจะต้องเรียนพระไตรปิฎกให้ให้ให้ใหแตกฉานเนี่ยนะคือจะจะจะทรงพระไตรปิฎกว่างั้นเถอะแล้วในที่สุดท่านก็เรียนทรงพระไตรปิฎกลูกศิษย์500รเนี่ยนะรับโอวาทเนี่ยนะในการสอนพระไตรปิฎกส่วนอีกรูปหนึ่งเนี่ยท่านก็บอกว่าเราควรบําเพ็ญวิปัสสนาธุระให้มาก ท่านก็เรียนแต่ท่านเรียนไม่ถึงกับว่าทรงพระไตยปิฎกแต่เรียนแล้วลักษณะที่ว่าจะเอาไปบาเพ็ญให้ได้นะท่านก็มีข้อมูลพอที่จะไปเจริญให้บรรลุมรรคผลได้ท่านก็เข้าป่าท่านก็ไปหลีกเล้นอยู่ในป่าระยะหนึ่งท่านก็เป็นพระอรหันต์เนี่นะเพราะว่าท่านศึกษาธรรมะ ม, มาดีแล้วแต่ไม่ได้ดีดีพอที่จะให้บรรลุนะไม่ได้ดีไว้เพื่อลักษณะที่จะทรงพระไตรปิฎกนี่นะคือท่านดีพอที่ท่านจะบรรลุได้ ท่านท่านก็บรรลุท่านก็อยูป่ป่านี้ระหว่างที่ท่านอยู่ป่าเนี่ยท่านก็สอนด้วยท่านองค์นี้สอนเป็นเนี่ยนะสอนว่าคือคือลักษณะของตัวคําสอนจริงๆเลยเนะหลักการก็เป็นอย่างนี้หนึ่งเธออย่าตรึกอย่างนี้จงตรึกอย่างนี้จงอย่ามณสิการอย่างนี้จงมณสิการอย่างนี้จงละสิ่งนี้จงเข้าถึงสิ่งนี้นี่คือคือหลักการมีอยู่เท่านั้น คำว่าจงตรึกสิ่งนี้อย่าตรึกสิ่งนี้ก็คือจงตรึกกุศลวิตกอย่าตรึกสิ่งนี้อย่าตรึกอกุศลวิตกจงมานสิการโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นอย่าไปมานสิกานวัดเที่ยงเป็นต้นจงละกามทั้งหลายและจงเข้าถึงมรรคผลเนียน่ยอันนี้นี่คือหัวใจของของการชี้แนะนะทั้งหมดมีอยู่เท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านรูปนี้มีความสา ม, มารถในการแนะนําเธออย่าตรึกอย่างนี้ก็คืออย่าตรึกเรื่องกามนะให้ตรึกแบบนี้ ก็สอนฌานตรึกแบบนี้เธอจะได้ชานเนี่ยนะแต่แต่ว่าอาจจะไม่ได้เรียนถึงขนาดกว้างขวางว่าองค์ฌานเนี่ยประกอบไปด้วยวิตกวิจารณ์ปีติเป็นสงข้อได้กี่คำภี์อะไรท่านไม่ได้เรียนมาแบบนั้นท่านท่านก็สอนท่านเออแบบนี้แนหะตรึกแบบนี้ให้มากๆานะเจริญแบบนี้ให้เยอะๆเนี่ยนะก็แนะนําไปแสดงว่าท่านเอาประสบการณ์ของท่านขึ้นมาคือท่านมีความรู้เรื่องคําสอนเป็นพอที่ท่านปฏิบัติตามได้ ทีนีเ้เมื่อปฏิบัติได้ซึ่งตรงต่อคำสอนจริงๆด้วยเสร็จแล้วท่านก็อาศัยวิธีการตามคำสอนอ น, นั้นมาแนะนำคนอื่นทีนี้พระที่เรียนกับพระที่อยู่ที่ลูกศิษย์เยอะๆเนี่ยนะก็เรียนเสร็จพระเหล่านั้นจะเวลาจะเจริญกรรมฐ า, านท่า น, นก็ไปหาพระองค์นั้นที่อยู่ในป่าท่านก็สอนบรรลุแล้วบรรลุเล่าสอนบรรลุเยอะไปหมดเลยะนะพออ่ะนะคือหนึ่ง จงอย่าตรึกอย่างนี้จงตรึกอย่างนี้สองอย่ามนสิการอย่างนี้จงมานสิการสิ่งนี้แล้วก็จงละสิ่งนี้จงเข้าถึงสิ่งนี้ข้อแรกนะจงอย่าตรึกสิ่งนี้คืออย่าตรึกอกุศลวิตกษาจงตรึกอย่างนี้คือจงตรึกกุศลวิตกษามข้อต่อไปนะจงมนาสิการสิ่งนี้คือมนสิการโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นอย่ามนสิการว่าเที่ยงเป็นต้นเียนะ จงละก็ละอุปาทานักขันนะ่นนะจงเข้าถึงก็เข้าถึงโลกุตระธรรมนะนะั่นแหละอันนี้ว่าโดยสรุปนะในทุกแห่งที่มีคำว่าอนุสาสนีปาฏิหารลักษณะอนุสาสนีปาฏิหารมีอย่างนี้ในในปาฏิหารสามนะมีอยู่หลายนิกายด้วยกันอย่างในถ้าสุตระสูตรก็มีเนียนะถ้าสุตระสูตรมีเนยะก็ประโยคนี้ให้ผู้การไปหลายครั้งแล้วหนังสือผู้การนะ แต่ว่าอาจจะยังไม่ทันศรัทธาในตอนนั้นอินทรีย์ยังไม่แก่ในเรื่องนี้นทีนี้ต่อไปนะว่ า, อวาพอพอมีพระรูปเนี่ยบรรลุบรรลุอย่างนี้นะเสร็จแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งพระที่อยู่ป่ารูปเนี่ยท่านจะมากราบเฝ้าพระพุทธเจ้าท่านก็มากราบพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วเนื่องจากท่านเป็นเพื่อนกันเนี่ยนะสองรูปองค์ที่อยู่ที่ ท, ที่วัดอย่างส ม, มัยวัดเชตาวันเนี่ยนะกับรูปที่อยู่ป่านี่เป็นเพื่อนกันเวลามาก็จะมาพักด้วยกัน เขาก็จัดเสนาสนะให้พักเขาก็จัดเสนาสนะไว้สองที่รูปที่อยู่บ้านคืออยู่เชตาวันนี้ก็เตรียมจะฟอกององที่มาจากป่าแล้วว่ามีดียังไงเนี่ยนะสำนวนว่าจะล่วงเกินเนี่ยนะสำนวนว่าคล้ายๆกับว่ามันจะรู้เท่าไหร่เชื่ออะไรเนี่ยนะไปอยู่ป่าทําไมคนขึ้นเยอะบรรุเยอะแยะไปหมดทําไมลูกศิษย์มากเหลือเกินเนี่ยองค์นี้คล้ายๆก็ว่าอยากจะลองอ่ะนะ พระพุทธเจ้าเล็งเห็นแล้วเออเนี่ยเธอเบียดเบียนบุตรของเราเนี่ยจะตกนรกนะเนี่ยพระองค์ก็เลยจาริกเดินมาพอดีเลย เ, เห็นพิสุสองคนกําลังนั่งพอดีก็พระองค์ก็มาสมัยพุทธกาลนี้เขาจะตั้งอาสนะไว้สําหรับพระพุทธเจ้าอยู่แล้วพระอผมก็ประทับนั่งแล้วพระองค์ก็ถามปัญหาปฐมมาชานานะถามปัญหาเรื่องปฐมมาชานานะนะ ประมปฐมมชานเนี่ยองค์ที่แตกฉานพระตัยปิกตอบไม่ได้ mm hmm. คือเขามีวิธีถามที่ที่เรียกว่าคนที่ไม่มีภูมิความรู้ตอบไม่ได้คือคนที่ไม่มีคุณธรรมอันนั้นเนี่ยจะตอบไม่ได้ก็มีวิธีถามก็มีมีวิธีถามไม่ใช่ว่าปฐมมชานประกอบด้วยอง์เท่าไหร่โอ้ยอย่างเงี้ก็เสร็จองค์ที่แตกฉานพระตัยวิกแล้วใช่ไหมแต่เขามีวิธีถามอ่ะนะพระพุทธเจ้าก็ถามก็ค่อยถามปฐมมชานอ่ะนะ อ, นองที่แตกทรงพระตัยปิกตอบไม่ได้ องที่ปฏิบัติเนี่ยตอบได้ก็ถามทุติยะฌานตติยะฌานจตุทชานถามอรูปฌานถามมักผลโสดาปฏิมักไปเรื่อยๆเนี่ยนะองนั้นตอบได้หมดเลยองค์ทรงพระไตรปิฎกตอบไม่ได้เนี่ยนะเสร็จแล้วตอนท้ายพระองค์ก็เทศเป็นธรรมะว่าผู้ที่ทรงพระไตรปิฎกเรียนมากแต่ว่าไม่ได้ไปเจริญตามนั้นเลยไม่ได้ไปในมณสิการตามคําสอนเนี่ยนะ เช่นคำสอนว่าไม่เที่ยงก็ไม่เคยเอาไม่เที่ยงไม่ไปคิดอะไรหรอกแต่ จ, จำได้ว่าไม่เที่ยงขันเนี่ยสิบเอ็ดกองเนี่ยอดีตอนาคตปัจจุบันจำได้หมดแต่ไม่เคยเอาไปไขควณอะไรเลยพวกนี้พระองค์ก็บอกว่าเหมือนกับคนรับจ้างเลี้ยงโคเหมืนคนรับจ้างเลี้ยงโคนะดูแลโคว่าโคในคอกมีกี่ตัวเนี่ยนะรีดนมได้วันละเท่าไหร่อะไรจะรู้หมดอะแต่ว่ารับค่าจ้างปร ะ, ประจำวัน เรก็จะได้ส่วนอุปทาคจากลูกศิษย์เช่นถวายน้ําล้างหน้าถวายไม้สีฟันเนี่ยจะได้รับการอุปถากถวายปจัจใจสทีทั่วไปนี่แหละแต่ว่าไม่ได้ส่วนแห่งปัญจะโคโรตอะไรรอกเหมือนกันส่วนผู้ที่ปฏิบัติตามนั้นจริงๆก็แทงตลอดบรรลุมรคลก็พวกนั้นแหละได้มีส่วนแห่งปัญจะโคโรตเพราะฉะนั้นก็เลยนิยามว่าผู้ที่เรียนพระไตรปิฎกมากแต่ก็ไม่ได้เจริญตามนั้นไม่ได้ปฏิบัติตามนั้นเนี่ยนะคือไม่ได้ปฏิบัติอย่างที่เรียนเลย ถ้าพระนรินท์ท่า น, นบอกว่าตาบอดชูคบเพลิงเนี่ยนะแต่ก็ท่านแต่ก็ถ้าจับฝัง ใ, ให้จบความนะพระนานนท์ก็บอกตำแหน่งนะคนที่โตแล้วไม่เรียนอีกก็เหมือนกับโคลอีกนั่นแหละถ้าไม่เรียนอีกอะนะก็เหมือนโคลอีเจริญแต Date ่เนื้อหนังมังสาสติปัญญาไม่เจริญเพราะไม่เรียนแต่ถ้าเรียนแล้วไม่ปฏิบัติก็เหมือนกับตาบอดชูคบเพลิงเนี่ยนะแต่ในสูตรนี้ก็บอกว่าถ้าใครที่เรียนมากแต่ไม่เจริญตามไม่ปฏิบัติตามก็เหมือนกับคนรับจ้างเลี้ยงโค แต่คนเรียนไม่มากแต่ปฏิบัติบรร ล, ลุมรคผลพวกนี้เรียกว่าเจ้าของโคว่า ง, งั้นเถอะเพราะมีส่วนดื่มปัญจโครสคือมรคผลนิพพานแต่อีกที่หนึ่งนี้พระองค์ตรัสถึงความเป็นพหูสูตรว่าความเป็นพหูสูตรไม่ได้อยู่ที่ว่าเรียนมากหรือม่อน้อยอยู่ที่ว่าเรียนแล้ว่ไปทํากิจปริญญาากิจได้ไหมไปทําปริญญากิจไปทําปะหานากิจไปทํากิจในการทําให้แจ้งไปเจริญเท่าไหรเ่เอาตรงนั้นเป็นเกณฑ์ เพราะฉะนั้นอย่างในเรื่องเอกุฏ ธ, ธานะเทระคาถาในเทระเนี่ยนะพระเถระรูปหนึ่งอุทานอยู่คาถาเดียวอะ่ะท่านฟังไม่มากแต่ท่านบรรพราหารันเพราะท่านทํากิจอริยศาสตร์ได้แต่คนที่เรียนมากอาจจะไม่ได้ทํากิจอริยศาสตร์เลยใช่ไหม ก, ก็ก็รู้สูตรอะแต่ว่าก็ก็ไม่ได้เรียนะ่ะเพราะฉะนั้นก็มองอีกแง่หนึ่งก็พระ อ, องค์สรรเสริญในเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยนะการปฏิบัติ คือให้ให้ให้เจริญตรายสิกขาที่จริงคําว่าปฏิบัติก็ไม่ได้อื่นจากคําสอนนะเดี๋ยวไม่ใช่เข้าใจผิดเลยทงไปอีกชั้นจะไม่เรียนแล้วจะไปปฏิบัติอย่างเดียวไปนั่งทําอะไรแล้วนเนี่ยเอาอะไรก็ไม่รู้เลยฉันจะปฏิบัติฉันจะนั่งละวันละหชั่วโมงตั้งไว้เลยเนี่ยนั่งทําอะไรก็นั่งสับประงกนั่งนานๆนะเป็นคนนั่งโยกเก่งที่สุดในบรรดานักนั่ ง, งทั้งหลายเนี่ยนะเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยโอ้ยพอได้นั่งเมื่อไรแล้วก็โยกทันทีเลยโยกหน้าโยกหลังโยกซ้ายโยกขวา ออกมาเห็นแล้วก็ออกมาจะสงสารท่านเหลืกินมีเพื่อนอยู่หลายมัใช่คนเดียวด้วยนะหลายคนเนี่ยที่เป็นนักนั่งเนี่ยพอพักหนึ่งสิบนาทีแรกไม่เป็นไรอ่ะนะสิบนาทีที่สองเนี่ยเริ่มโยกและ้วะโยกหน้าโยกหลังพังะหน้าพังะหลังกว่าจะหมดเวลาเนี่นะ mm. เอามันก็ง่วงนไห ม, มันไม่ได้ตรึกอะไรเนี่ยนะอย่างลมเนี่ยมันอยู่กับลมสิบอันนั้นะก็กําหนดเฉยเฉยเนี่ยนะลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกอะไรมันจะง่วงเร็วเท่านั้นไม่มีอีกแล้วเนะนะ มันก็ง่วงนนันน่งสับปะงกอยู่แล้วเนี่ยนะมันก็ไอ้ตรงนั้นเนี่ยที่น่าเห็นใจเนี่ยนะคือคือไม่ได้เอาอิริยาบทเป็นเกณฑ์เอาความรู้ความเข้าใจเป็นมาตรฐานเอาตรงนั้นเป็นหลักขนาดไม่นั่งนั่งกรรมาฐานยังนั่งโยกเลยเนี่ยนะดีแต่มีอยู่รูปหนึ่งนะท่านก็นมีทีเด็ดมากชอบนั่งง่วงดีนักไปนั่งใกล้หิวซะเลย ขางง่วงข้างเนี้ยตกตายแน่เออมีเนอะบางองค์แบบเนี้ยมันอาจจะง่วงกันนักหนาอย่างเงี้ยไปนั่งใกล้เหวแล้วถ้าแกพงังะขับพังงกหน้าครั้งเนี้ยตายแน่ไม่ตื่นตัวดีนักเลย <c oughs> ก็มีบางองค์ที่ใช้วิธีแบบนั้นแต่ว่านับว่าเสียงมากไม่มีในคําสอนอแบบนั้น